น, นั่งคุยกันธรามไดาดีกว่าใช่ ม, มเออจสงสัยอะไราถามมาเลยอย่างเ ง, งี้ยเลยดีมนี่เข้ามานั่งใกล้ๆถามเลยไปคนน้อย <c oughs> ถามไปเลยเ อ, เออถามกันเลยใครไม่ะเออนั่แนแหละนี่เข้ามานั่งใกล้ๆสบาย วันนี้วันนี้ไม่มีใครไม่วันนี้ไม่ต้องเกงใจใครใช่ั้ย <ไป S 1> เอ อ, อยังหายากนะอกาสอย่างเงี้ยเอาว่าไงเอาผู้โชคดีทั้งหลายว่ามาอ้าได้เลยอ๋อก็นนออทิ้งไป ก็ก็น้อม sea, PH Should, น้อมว่าไม่ใช่รูปก็เป็นก็น้อมเป็นสีเสียงกินรสสัมผัสไปใช่น้อมได้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ทิ้ง MM> กันเยอะแยะหมดก็น้อมเมื่อแตกที่เราน้อมใจให้ถูกน้อมใจให้ถูกของถ้าเราน้อมไม่ให้เป็นมันจะนะย อย่างนี้เราน้อมน้อมคุณหรือน้อมลูกน้อมคุณน้อมคุณของบางอย่างมันเป็นอันตรายก็อย่าไปให้เขาหรือไม่งั้นเราต้องการฉีกรูปสังเวไว้ไว้ให้ใครเราก็ตัดเฉพาะรูปสังเวไว้นอกนั้นก็ทิ้งไปโคแค่นั้นเองถ้าเป็นประโยชน์ได้นะล้วก็ตัดออกไว้ก็ whiskey. ได้น okay. ี่ใช่อหมตัดตัดตัด อันไหนที่เราไม่น้อมมาทิ้งทิ้งทิงโอ้โหทั้งงันตายเล ย, เนยคนที่ว่าบูชาบูชากันทั้งหลายก็ทิ้งกันทั้งงันนี่ก็ถ้าจริงเราต้องรู้ว่าอะไรคุณเราใจเราน้อมอยังไงน้อมเป็นสีก็สีเลยเนีย่น้อมเป็นพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าทันทีเลยเนี่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ว่าเราน้อมคุณไม่ได้น้อมสีไม่ได้น้อมสีเป็นพระเจ้าใช่ไหม เหมือนเหมือนพระเนี่ยเวลาท่านกรณีที่จะของที่มันเป็นกับิยะที่มันไม่ควรกับท่านท่านก็ต้องทิ้งก็ต้องทิ้งนั้นสรุปก็คือว่าเจตนาจริงๆถ้าถ้าคุยแบบไม่ต้องอาศัยตำรานี่ดีเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่พูดถึงตำราเนี่ แต่เว้นไว้แต่ว่าตรงไหนข้อความใดที่เราจะให้มันนั่นถ้าสรุปก็คือว่ามหากุศลเป็นสิ่งที่เราปรารถนามันมีให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมถามว่าเคยสังเกตจริงๆไหมว่ากุศลเนี่ยมันเกิดยากหรือง่าย <Yeah. S 1> ก็ยากใช่ไหม ทีนี้ถ้ากให้สังเกต ว, วันวันหนึ่งนี่เนี่ยที่เราไปเราคืออย่างนี้วิธีคิดอย่างที่บอกก่อนเนี่ยว่ากายที่ขยับไปเนี่ยจิตก็คิดนะเนี่ยไปสังเกตเมื่อว่าเราทำกรรมตลอดทำตลอดเลยไหมลและในขณะเดียวกันรับตลอดไหมรับผลของกรรมตลอดไหม เคยรู้ไหมว่ามีแต่เหตุก э ับผลในโลกใบนี้กำลังรับผลและกำลังทำเหตุอยู่กำลังรับผลกำลังทำเหตุใหม่ผลก็กำลังรับใช่ไหมผลดีบ้างไม่ดีบ้างที่รับกันมานี่นะเสียงด่าเสียงชมที่จริงมันก็คืออะไรมันก็คืออะไรสัต t h าเกิดกี่สมุทฐานใช่ไหม เออเกิดจากจิตกับอุตุเสียงด่าเกิดจากอะไรจิตประเภทไหนจิตตวิปรสัสนธะใช่ไหมเสียงวิปริตที่เกิดจากโทสะจิตใช่ไหมถ้าจิตต่อวิปรสัสนธะเสียงได้เป็นปกติธรรมดา <S S มก็คือเสียงใช่ไหมเกิดจากสองสมุทฐานเกิดจากจิตก็เกิดจากอุตุตอนนี้เรากําลังได้ยินเสียงที่เกิดจาก จิตอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่แปลงจากใหม่ทำให้มันดังขึ้นนั่นเกิดจะอุตใช่ไหมแต่สรุปก็คือผู้พูดเนี่ยเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมนี่จิตประเภทที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างแล้วแต่สถานภาพถ้าเราได้ฟังอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เบียเษ เราโกรธอะไรโกรธเสียงโกรธเสียงใช่ไหมหรือกรจิตทิ่ดาหรือกดจิตที่ดาจิตทิ่ดาคือโทสะจิตโทสะจิตเป็นสังขารขันเกิดร่วมกับเวทนาไหมโทมนาสเวทนาอยู่มีสัญญาไหมสัญญาสรุปก็คือมีสัญญาขันสังขารขัน เวทนาขันและมีวิญญาณขันไหมตัวโทสะจิตเป็นวิญญาณขันไปอาศัยรูปขันเป็นไปอยู่มีมหาพุทธรูปและอุบาทยรูปเป็นไปอยู่โกดอะไรโกดสัทธาลมที่เกิดจากจิตสรุปก็คือในจิตนั้นก็คือเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันแล้วก็รูปขันสรุปโกดขันห้าเอาขันนั้นดับไปยัง ดับไปหมดได้ยังตอนเนี้ดับแล้ ว, ลวเสียงดับหมดแล้วขันที่ดาก็ดับมองเห็นไหมเนี่ยเ <laughs> ราโกรธสิ่งที่มั น, นมีความแตกดับเป็นธรรมดาเราโกรธอะไร <laughs> ทีนี้การโกรธเนี่ยถ้าเรามองถึงพระโอวาทของพระ ศ, ศาสดามาดูก่อนพิการทั้งหลายถ้ามีใครเอาเลื่อยมาตัดเทือ้ขาดสองท่อน ถ้าเธอทําจิตคิดประทุษร้ายบุคคลที่ตัดเธอให้ขาดเป็นสองท่อนนั้นนะชื่อว่าไม่ทําตามโอวาทของเราจะว่าไงจะว่าไงน้อยใจทําไมน้อยใจใครน้อยใจไปเพื่ออะไรแล้วได้อะไรนอกจากบาปทําไมทําบาปเสียงด่ามาจากอดีตเหตุใช่ไหมปัจจุบันผลก็ได้ยินเสียงดา่าแล้วเราจะสร้างปัจจุบันเหตุด้วยการโกรธตอบใช่ไหม หงุดหงิดท้อน้อยใจนี่แปลว่าอะไรเราสร้างปัจจุบันอาเหตุผิดพลาดผลก็เพื่อจะได้รับสิ่งสีเสียงกินรสสัมัสสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงแย่ลงทำทำไมเบียดเบียนใครผู้ฉลาดทั้งหลายเขาเบียดเบียนตัวเองแบบนี้หรือเปล่า สาวกของพระุธเจ้าจะไม่เบียดเบียนตัวเองแบบนี้ก็กลับไปไข่ครวนใหม่สิเขาใจยังเขาก็เขาพิจารณากันแบบนี้ทีนี้ทีนี้จะทำยังไงต่อจะคิดอย่างนี้แล้วคิดแค่นี้พอไหมเพราะเราคิดแค่นี้ยังไงเวลาไปเจออีกมันต้องเป็นอีกความคิดมันไม่แข็งแรง แล้วก็รู้แล้วว่าความเข้าใจเนี่ยมันต้องไปต่อไหมเนี่ ย, ยเวลามีคนทําล่องแนวให้แล้วเนี่ยก็ไปเดินต่อสิอ๋อมันแข็งแรงตัวนี้ได้ไหมโอเคทีพอเ พ, พอจะพูดเพิาะมันไม่ต้องแล้วเราแข็งแรง ก, กว่าคุณที่พูดดีให้ทำเหมือนกันเนี่ยทำได้ไหมยมยมิ้มทาได้ไม <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็จะมองเห็นหนึ่งเข้าใจแม้แต่สัทธารม์เข้าใจแม้จะสมุทฐานของสัทธารม์เข้าใจแม้แต่เสียงที่เกิดจากความวิปรัชท์คละสัทธาจิตาวิปราชทสัทธาเสียงที่เกิดจากจิตที่วิปริตทั้งหลายเกิดจากกลุ่มกับอกุศลกรรมทั้งหลายแล้วเราจะรู้ไหมว่าตอนนี้เขากําลังทำอกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอยู่เขากําลังทําอกุศลกรรมอยู่แล้วเรารู้ไหมผลง้ออกุศลกรรมนั้นจะได้รับผลอย่างไร แล้วก็เห็นเหตุเ ห, เห็นผลอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปโกรธตอบแล้วก็สร้างปัจจุบันในเหตุที่เป็นอกุศลแล้วก็จะรับผลที่เป็นอกุศลเอาสิแต่เนี้ยเราก็ได้สีเสียงกินรสที่น่าเกลียดน่ากลัวเพราะโทสะนําอบายทุกขตินะใช่ไหมถ้าเราโกรธเนี่ยเป็นพลเสวน า, าออกมาเบ็ดเสร็จมันครบองค์นะเนะี่ยถ้ามันครบองค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้ผลในปฏิสนธิการถ้าไม่ครบกรรมบท ถ้าไม่ครบองเนี่ยนะก็ให้ผลในประวัติการก็ได้รับเสียงด่าเสียงบ่นอยู่อย่างนี้อย่างที่เราได้รับทุกวันนี้แหละเข้าใจยังมันจะเห็นชัดเจนว่ามันเห็นเหตุกับผลถ้าอย่างนี้แปลว่าปัญญาเดินนี่ยังเนี่ยถ้าปัญญาเข้ามาทำกิจแบบนี้มันชัดไงถ้าอย่างนี้ปัญญาเข้ามาทำกิจในการวิจัยแล้วไข่ควรเข้าใจเหตุผลชัดเจนแล้วมันเป็นอย่างนี้ ฉะนต้องบอกว่าเราจะรู้เลยละเรากําลังประกอบเหตุอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็กําลังได้รับอะไรเนี่ยเหมือนถามว่าถ้ า, ามาไปได้รับเสียงชมอามาจะคิดยังไงรู้ไหม <c oughs> อันนี้อ๋อนี่เป็นปัจจุบันนะผลที่มาจากอดีตเหตุแต่ถ้าอามาจตมาไปกําหนับยินดีเพลิดเพลินเป็นโลภะใช่ไหมอันนี้กําลังประกอบเหตุผิดพลาดไหม ผิดพลาดอีกแล้วร่วมหลงหรือไปขัดเคืองกับเสียงด่าเสียงตำหนิอนมาก็สร้างเหตุปัจจุบันผิดอี<ม>กก็ก็ต้องถามพระเยซว่าอันนี้ให้ผลในประวัติการยังขนาดนี้เนอะกระชัย<ม> <c oughs> อย่างถ้าถ้าเธอถ้าเธอไปทำกรรมที่ครบกรรมบทไปให้ผลในปฏิสนธิการอบายจะเป็นของเธอเห็น<ม>ไหมล่ะเจปวดไหมล่ะ นี่แหะโทษของอดีตเหตุที like ่ผิดพลาดปัจ <noise> จุบันเอาผลยิงได้โดนด่าโดนแช่งอยู่ทุกวันเนี้ยเขาจอย่างก็เนี่ยก็ได้มุมแล้วใช่ไหมก็ได้มุมแล้วจะทํำไหมแบบเนี้ยชอบไหมเวลาคนมาด่าเนี่ยไม่ชอบก็อย่าทําบอกงันก็อย่าทําอันเนี้ยอย่างนี้เราจะได้วิธีคิดไหม ไม่ใช่วะเอ๊ะนี่เป็นใครรู้จักไหมนี่ใครเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเผลจักเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเอามีทางรู้เรื่องเราดูรู้เรื่องได้ไปบน่นได้ไปทําบาปต่อกันทั้งคู่ทําเสร็จกลับมาก็กระหืดกระหอบอีกไปรับผลกันตยออูอ้หูหน้าเกลียด น, น่ากลัวไม่จบหรอกปฏิจจาก็หมุนไปสิ ใช่ไหมปัจจุบันนัเหตุเนี่ยอ น, นาแต่ผลเม่ได้ผลมาก็จะวิพปลิตในผลอีกสร้างปัจจุบันนัเหตุผิดพลาดอีกไปได้ผลที่วิพปลิตอีกสร้างต่อไปอีกแต่ไปได้สิ่งแวดล้อมในในบยภูมิลองคิดดูแล้วจะออกจะยังไงจะออกจากสีเสียงกินร็อตอย่างนั้นยังไง mm hmm. ก็ทุกวันนี้เลี้ยงออกจากตรงนี้ยากอะเนี่ยไม่รู้จะฉลาดกับมันยังไงทุกวันนี้ได้ลผลทุกวันเนี่ยผลรับทุกขนาดไหม mm hmm. ทุกขนาดชาวนาเกิดขึ้นเลยไหม เรารับผลตลอดแล้วก็กำลังทำเหตุตลอดเอาสิแล้วเราไม่ค่อยรู้ตัวกันเลยกาลังทำเหตุดีเหตุชั่วเนี่ยไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวกันแล้วตอนนี้เอาที่แล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าผลจะเกิดในอนาคตยังไงเพราะเพืที่เดินทางมั่ว ก, กันอยู่นี่ใช่ไหมเดินทางว่ขาข้าวสารขับแล้วจะไปไหนแล้วแต่คุณขับไปชีวิตอย่างนี้หรืออะไรจะเกิดแล้วแต่แล้วแต่จะเกิดได้ไหม อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดได้ไหมโลภาจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดโทสะจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไม่ได้รอกชีเวตอย่างนี้ก็เรียกว่าหลักร้อยไร้หลักการพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้หรอกอะไรจะเกิดต้องดูก่อนว่าบุญหรือบาปเกิดถ้าบุญส่งเสริมถ้าบาปรีบตัดอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยต้องเหมือนไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเลยมึ น, ม น, มนๆไปวันๆไม่ใช่นะการเจริญกุศลนี่ห้ามมึนๆเยอะมั้ย เคยเป็นไหมแล้วก็ก็เขาคุยอะไรกับป้ายกับเขางั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือจะได้มองเห็นไงว่าจริงๆก็คืออะไรเนี่ยเขาเป็นอัพยากตะถ้าเป็นผลของบาปก็เจ็บปวดนะสีเนี่ยสีก็ให้ความทุกข์ เสียงก็หวาดหวิวน่ากลัวใช่ไหมเจ้าพลนของบาปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกลิ่นก็เหม็นคค้งเนี่ยรถก็ไม่ได้เรื่องในลาวอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเหอะแต่ก็ไม่ต่างอย่คือสีเสียงกินรถซ้ำไปอันเป็นอย่างเงี้ยเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมแบบไหนดีเนี่ยกำลังทาอยู่เนี่ยอนาคตตะผลรอหมดเลยรอหมดเลยนะเนี่ย ไม่มีใครเป็นคนที่บงการชีวิตเราในอนาคตเลยถ้าเราเข้าใจถูกเท่านั้นถึงจะประกอบเหตุที่ถูกได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเหตุผิดพลาดต่อให้ทำอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีนะจะ ไ, ไปสร้างเหตุบาป อ, อยู่ในนีน้โอ้ยแต่ลราะได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต แล้วอะไราตามมาเอา้าย้อนต้มไปต่อลองได้ไหมก็ดีฉันไปฟังทำทุกวนันได้ไหมไอา้าวแล้วฟังเป็นยังไงก็ก็ไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> ก็ฟังเต็มที่แล้วมันไม่เข้าใจอ้อาวก็มันเป็นเหตุบุญหรือเหตุบาป <c oughs> เขาไม่ได้ถามว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ <c oughs> เขาถามว่าตอนนั้นทําบุญหรือทบ <c oughs> อาบาปอ้าวบาปเกิดแล้วบุญประเภทไหนมีปัญญาประกอบไหม เพราะธรรมชาติของปัญญาเกิดยากไหมเก <Yeah. S 1> ิดยากแต่ว่าเพราะปัญญาเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของปัญญาเยอะเลยตัวนี้ใช่ไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยของปัญญาเราก็มองเยอะหมดเลยเหตุการของปัญญาใช่ไหม mm. โยนิโสมนสิการบ้างแล้วก็บอกปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกทั้งหลายพวกกัลยาณมิตรเอย่ยพวกพรอสัตว์ธรรมต่างๆอลไรเนี้ยเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นทำให้ปัญญาเกิดและความเข้าใจเกิดทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเรามองอย่างเนี้ยการเจริญทานากุศลก็เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเหตุใช่ไหมเหตุของทานกุศลก็ได้สิ่งแวดลอ้อมก็คือได้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์แค่เนี้ย แต่ว่าสีเสียงกิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ของมนุษย์สีเสียงกิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ของจารุมหาราชกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานอรดีปารานิมมิสวาสวัสดีใช่ไหมปารานิมมิสวาสวัสดีในสุทาวาสภูมมีสีเสียงกิ่นรสสัมผัสัไห ม, มในนั้นคนที่จะไปอยู่ในนั้นได้ต้องเป็นอะไร ถ้าผ้านาคาแปลว่าคนนั้นจะต้องฟังธรรมจากใครไปจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะทำบุญอจากพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จเบ็ดพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วประหารกิเลสได้กิเลสเลยเป็นเหตุทําให้ท่านเหล่านั้นทํากรรมประเภทมรรคกรรมได้สามมรรคเป็นต้นแล้วก็ไปเป็นผ้านาคาได้สมาบัติ มากด้วยสัตตินรียบ้างวิรยิยนินรียบ้างสติินรียสมาตินรีและปัญญินรีก็ไปเกิดในภพนั้นภูมินั้นแสดงว่าภพนั้นภูมินั้นน่ะมีการคัดสรรไห ม, มใช่ไหมจจะมาต้องเป็นบ้านาค า, าต้องมีอิญรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งบริบูรณ์ใช่ไหมมีข้อแม้เป็นสาวกพระเจ้าหเปล่านิถินของใครเข้า<ม>ใจไหมเนี่ย พบนั้นเนี่ยาศาสนาอื่นอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมเขาเรียกสุดทาวาสภูมิใชเป็นภูมิที่บุคคนที่บริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมที่ส่วนจริงเป็นพระหลหันก็เยอะหมดเนี่ยขนาดพระหลังหันวันที่พระโที่สัตว์ประสูติพระหลังหันลงมาทําไมท่านต้องลงมาท่านมาต้อนรับผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหม ตอนแล้วทำไมเร้องเดินละดวิว่าเนี่ยเราจะได้ประชากรเพิ่มขึ้นกันเนี่ยจากพระภูมิเยอะมากดิเลยใช่ไม่ใ ช, มใช่มันก็มองให้เข้าใจโอ้ถ้าเรามองให้เห็นชัดเนี่ยเราจะเห็นโอ้พรพุทธเจา้าเนี่ยให้สาวกของท่านเนี่ยได้รับพระธรรม ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าใช่ไหมเป็นมรดกล้ำค่าไหมโลกุตระมรดกนี่ล้ำค่ามากซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทนี่ปรารถนาในฐานะเป็นลูกของพุทธเจ้าเนี่ยก็อยากจะได้รับทรัพย์มรดกของพ่อซึ่งเป็นธรรมมมรดกระดับโลกุตระธรรมนั้นนั้นใช่ไหมเขาก็รับพอ ร, รับเสบร็จกั น, นี่ไง มีที่อยู่ให้อย่างดีเลยใช่ไหมนี่ในสุทธาวาสภูมิคนอื่นไม่ได้อยู่ไม่ได้อย่างเราบอกอยากไปอยู่หน่อยไม่ได้ก็ไปสวรรค์ใช่ไหมก็ได้ทำไมล่ะเขารู้กรรมไหมล่ะ เขารู้จักกรรมไม่ได้เ ข, เขาเขาเขาจะเขาทำกรรมถูกต้องไหม mm hmm. ถ้าเขาจเจริญกุศลกรรมถูกต้องก็ไปเยอะแ ย, ยะหมดเป็นมนุษย์ก็เยอะหมือนีดที่จริงไง ก, กรณีอย่างการที่ว่ า, าศาสนาอื่นหรือาศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพระพุทธมัสสะสดาเนี่ยท่านท่านมองเห็นด้วยความท่านจะขนสัตว์หรือสัตว์ใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอุไม่เอาแล้วคนาศาสนาอื่นไม่สอนแล้ว ถามว่าตอนมาครั้งแรกนี่เขานับถือศาสต์สาพุทธมีไหมไม่มีเลยนะแม้แต่ตระกูลของท่านยังไม่ได้นับถือพุทเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มองพระเจ้ามองสัตว์โลกทั้งหมดเป็นบุตรของท่านเน่ยผูกสัตว์ไว้ในฐานะบุตรทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนี้พระองค์ก็มาก็ให้พระธรรมแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุเอากี้ว่า ตอนที่พระเจ้าศาสนาไม่พระเจ้าไมาอ่อุบัติเกิดขึ้นมาใครรู้ตำรามหาบริสุทธิ์กันเนี่ยพรมพรมในสุทธาวาสเนี่มาแอบสอนเขาไว้ยมนั่นก็คือลูกศิษย์ของพระที่เจ้าเลยมาสอนเข า, <laughs> เขาจึงรู้ว่าอ๋อท่านคนนี้เป็นมหาบุรุษมองออกไหมพรมในสุทธาวาสเนี่ยมาแอบสอนคมพีนี้ว่าสอนแทรกไว้ในกคมพีพรำ <laughs> <laughs> นี่เป็นอย่างนี้เขาจึงรู้ ถ้างั้นมีทางคนอื่นไม่รู้หรอกต้องพระพุทธเจ้าต้องสาวกพุทธเจ้ารู้ถามว่าโลกอื่นจะว่างจากพุทธบริษัทได้ไหมได้แต่สุทธาวาสว่างได้ไหมนั่นแหละกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเดี๋ยวท่านมาวางโปรยไว้จงได้ท่านปลูพมไว้ให้จงได้ไม่ต้องกังวล มีแผนวางวางวางแผนกันได้เป็นพระอาหารก็เยอะก็เยอะข้ามข้ามาศาสนาข้ามพระเจ้าไม่รู้กี่องค์ด้วยนะอย่าลืมนะอายุยืน ย, ยาวมากใช่ไหมนั้นถึงบอกว่าโลกอื่นจะหมดไปแต่โลกนี้เขามีสำรองไว้เยอะพะริยาที่จะมามีสำรองไว้เยอะ ยังไงยังไงสาวกพรธเจ้าก็ไม่หมดใช่ไหมไม่หมดจะหมดได้ยงไงเล่นมาตัดสู้กันเป็นระยะระยะเนี้ยจะผ่านไปกี่ศตวรรษแต่ไปอยู่ไกลที่เราเข้าไปไม่ถึงท่านจะกรุณาเราไมแค่นั้นแต่ยางว่ามาในช่วงที่ไม่มีศาสนาคำสอนของพรธเจ้านี่นั่นอยู่กับมาได้เราก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเข้าใจแล้วใช่ อ่ะแต่นี้ถามมาสงสัยแล้วก็ก็<ๆ>เฝ้า ส, สังเกตก็ฝึกสังเกตจิตเดวนี้เวลามีอากุศลแทรกเวลาเราสวดมนเนี่ยถ้าเราโมแต่พิจรารณามันจะงุดหงิด <anto> <an> เพราะเราอยากสวดมนต์นะพระอาจารย์พระอาจารย์มีคำแนะนํำไหมคะพิจารณาอย่างไรสมงว่าวันนี้บางทีเวลาเราทําอะไรมันจะมีกุศลปุ๊บเดี๋ยวกุศลก็มีแทรกแวบเข้ามาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยค่ะโยมก็ก็สังเกตเห็นนะคะแต่นี้ที่พอจะหยุดที่จะพิจารณายาวๆเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะทำไม่ได้เพราะวด่า ค่ะกำลังสวดมนต์อยู่อ่ะแวบเข้ามาเงี้ยสมมติว่าพระอาจารย์กาลังพาอุทิศบุญเนี่ยเราก็อุทิศเป้าอุทิศตามไปเดี๋ยวแวบมันมีตัวแวบเข้ามาซึ่งเป็นตัวกุศลเข้ามาแทรกตัั้ตตงตตอนนั้นก็พยายามคืออย่างนี้ว่าเราเราจะทํำยังไงให้มันต่อเนื่องคือคือในกรณีการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเวลาตั้งหลักในการในการที่จะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอะไรเนี้ย ออน เ, นเครื่องบันทึกเลยออนั่นอะัรเป็นอย่างไัเลยออนบันทึกลงในนี้เลยใช่ไหมก็มดีอย่างอ้อก็เครื่องธรรมดานี่เลยอ้อนนี่เป็นตัวไมเลย อ, อันนี้เป็นตัวไมเลยก็ดีอย่าง คือคือเวลาเราเจริญกุศลถามว่าสำคัญที่สุดก็คือให้รู้ความหมายฮะเขาอ่านแล้วยกตัวอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในใจเราต้องบอกต้องนึกถึงไม่มีประมาณใช่ไหมต้องนึกถึงความไม่มีประมาณของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งหมดเลย จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํำนะบัดนี้ใจต้องน้อมตามนี่นะและบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วก็คือเคยทํามาในดีทั้งหลายใช่ต้องน้อมมาอย่างนี้ทีนเวลาเวลาเราท่องกันนี่นะต้องพยายามไปฝึกท่องคนเดียวก่อนฝึกให้ชํานาญนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ยุ่งเลยอนยะ่างเงี้ยใช่ไหม ใจเราคิดเรื่องอื่นเลยแต่ไม่รู้ความหมายอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกไม่ได้อุทิศหรอกอุทิศมันเป็นเรื่องของวาจาหรือเรื่องของใจใจต้องน้อมให้ไหมน้อมไปจริงๆไม่ใช่ทางโทรศัพท์กับเข้าใจอย่างเดีนี้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมือไม่ต้องประนมก็ได้ไนะเนี่ยใจต้องแน่น สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานบัตดนี้และแห่งและบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วง่วงไหมไม่ง่วงใช่ไหมคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีเยอะไหมเนี่ยแต่ละคําเนี่ยเยอะไหม มานดาบีดาเป็นประธานและยังคำว่าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วคือที่นึกเห็นแล้วที่ไม่เห็นเนี่ยสัตว์เราอื่นซึ่งเป็นกลางๆใครเป็นกลางๆงที่ไม่เป็นอรมนาที่พอดีกับเราอ่ะไม่เห็นไหมที่เป็นอารมณ์ธรรมดาอย่างเงี้ยเราเห็นก็เยอะเนี่ยหรือเป็นคู่เวนอันนี้โหประทับใจป๊อปเลยคู่เวนใช่ไหมกันก็ดีใช่ไหม สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในภูมิทั้งสามได้แต่พยาญชนะแต่ไม่มีคำว่าการมาภูมิโลกภูมิมาโลภูมิในใจเลยต้องมีในใจตามมาด้วยนะเนะี่ยสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกทั้งหมดนะ่ะอยู่ในภูมิทั้งสามพอบอกกาเนิดตีนึกไม่ออกอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเ <laughs> นี่ยมันก็ต้องนึกให้เป็นก่อนเนี่ยนะสังเสรชะกาเนิด อันทช้ชลาพุช้าโอปาติกาอย่างนี้นะรู้อยู่ในกำเนิดทั้งสามอยู่ในอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันโอ้โหสัตว์ที่มีขันมีขันขันเดียวอสัญญาอย่างไงมีขันสี่ขันในลูปภูมิสี่เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอสัญญากับูปภูมิสเนี่ยเขาได้จริงไหมเขาได้ไหม ไม่ได้หรอกใช่ไห ม, ไมไใช่ไห ม, ไมไแต่ทำไมเราให้บ่งบอกถึงจิตใจเราไม่มีประมาณไงเราน้อมจะให้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ลาเว้นเลยอย่างนี้เป็นต้นนั้นเวลาคความหมายจึงเรียนเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่สวดจริงจริงจริงไหม เวาลาเราสวดมนต์หรือเจริญกุศลใดๆเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นเลยไม่ใช่ให้ทำแน่นอ น, น แ, บบแน่นอนค่ะในขณะที่ว่าจิตมันฟุบขึ้นมาไปใส่ก็ตั้งหลักเลยถ้าคนเดียวนะหยุดเลยนะหยุดปุ๊บขึ้นมาใข้ควรมาตั้งหลักก็ว่าต่อว่าต่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ อ, อย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าไปเอาแค่อยากจบ ก็แล้วแต่เราจะค่ขยควรดูระยะเวลาจช่แล้วบอกว่าเออใจเราไม่มั่นคงสมาธิเราไม่ตั้งมั่นเนาะแล้วจิตใจเราจ้าสายเพราะสติของเราเนี่ยไม่เป็นไปกันเรื่องคือสติเราไม่ตั้งมั่นในรมใช่ไหมไม่รักษาอารมณ์นั้นไว้ด้วยปล่อยอารมณ์ให้หายไปปล่อยจุดมุ่งหมายที่เราท่องนี่มันหายรอยหายไปจากใจใช่ไหม ต้องไม่ลอยไปเหมือนน้ำเต้าใช่ไหมต้องให้มันดิ่งในลมมันก็ไล่ต่อไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้นี่เป็นอย่างนี้ยอมมองเห็นไหมพอจะเข้าใจไหมแบบนี้ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยถามต่อ เ่างั้นเดี๋ยวมาถามนะยมีตถามมัยคือคือในชั้นของการเจริญกุศลเนี่ยเนี่ยถามว่า เราสังเกตว่าตอนนี้ทานกุศลมันมันเกิดขึ้นแข็งแรงไหมไอ้ทานกุศลแข็งแรงไหยตอนนี้รู้สึกชัดเจนมากขึ้นไหมมากขึ้นไหมโย ม, มยรู้ได้ยังไงเออรู้ได้ยังไงโอ้เนี่ย ใช่มมันจะต้องให้มีคำตอบใช่ไหมจะบอกเอรู้ว่าชัดเจนขึ้น <c oughs> เราจะสังเกตตัวไหนว่าตอนนี้ทานกุศลเดินในใจเราได้แข็งแรงมากขึ้นแล้ว <c oughs> ต้องถามตัวเราเองที่ว่า <c oughs> ทานกุศลเขาทาลายอะไร <c oughs> แล้วสังเกตตัวแล้วตัวนี้มันลดลงไหม <c oughs> จริงจริ ง, รงตัวเราลดลงไหม แลจริงหรืความติดข้องในวัตถุกรรมเตวยน้ำหนักของกิเลสกรรมนี้น้อยลงเลยเพราะเพราะว่าความความตันนีเนี่ยที่มันมากับโทสะเนี่ยโทสะจิตมันเป็นลูกน้องของเนี่ยเนี่ยมัจฉริยะ อย่าลืมนะว่าบางทีถามว่าเกี่ยวข้องในอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเนี่ยความยึดติดในรูปในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ทำอารมณ์เนี่ยมันเบาลงไหมหรือว่ามันเฉยๆแบบไม่เคยได้ไปสนใจไม่ใช่ของเราก็เลยไม่ไม่ได้สนใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะอะไรเงี้ย <c oughs> แสดงว่าโลพังก็ไม่ได้ลดลงอะไเลยเอางี้ที่ของอะไรที่ชอบสละสิ่งนั้นได้ไหมอันนี่แหละละหา น, น, นี่แหล <c oughs> พะพอเห็นของชอบชอบดีนะสละชอบอสละเอาที่ชอบตัวไหนสละตัวนั้นชอบตัวไหนสละตัวนั้นทําได้ไหมฝึกวิธีฝึกตัวเนี้ย นะต่อไปไปฝึกอย่างเงี้ยต่อไปทานกุศลจะแข็งแรงเอาเลยนะปิยะทานจนะทำให้ได้ดีแล้วเรามีตัวนี้เป็นตัวทำให้เราจะได้สละเอาสิชอบอะไรสละตัวนั้นคอยดูจะมันจะเกิดจริงไหมทานกุศลทําเลยแล้วคิดว่าเกิดไหมแล้วมันได้สละทุกวันไหมกําลังตักอาหารมันชอบใช่ไหมอ๋อให้เพื่อนเลยแล้วจะเอาที่เขาไม่ชอบกิน ทำได้ไหม <c oughs> แล้วต่อไปเราจะรู้เลยวันทานกุศลเป็นอย่างนี้เราจะให้ทานเราจะให้ทานของที่รักเนี่ยฝึกจากอาหารเนี่ยซึ่งมันไม่มีราคาเยอะเท่าไหร่เลยเนี่ยไปคล้านอาหารพวกชอบรือซื้อเลยแต่ไปให้เขานะะตรึกเลยโอ้ยของที่เราชอบเราจะไปให้ลูกให้หลานให้ใครให้เลยน้อมสละให้แม่บอกแม่ให้ให้ของที่รักที่สุดกับแม่ แล้วไม่เอาด้วยนะให้ให้ขาดด้วยนะไม่ใช่หวังไม่กินเสร็จเราไม่ใช่นะเข้าใจยังพอแม่ไม่เอาไปเสร็จนะเรียกใครมาอ้อให้ให้ฝึกเลยเนี่ยได้แล้วต่อไปจะเข้าใจทานกาุศล ไ, ไปจากมุมตัวนี้แล้วจะเข้าใจทานกาุศลและแล้วจะรู้ว่าจิตคิดจะให้เป็นแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะเราให้แต่ของที่เราให้ง่าย เอาเลยต่อไปเนะี่ยฝึกเลยถ้าไม่ฝึกอย่างนี้นะเมื่อไรเมื่อไหรทานกุศลก็ไม่แข็งแรงจนตายก็ไม่แข็งแรงเอาอย่างนั้นเลยจนตายก็ไม่แข็งแรงตายกันไ่รู้กี่ชั่วคนแล้วแล้วก็เป็นกันอย่างนี้แหละฝึกยอมฝึกอย่างเดียวโอ้โหไม่ามาต้งใช้คบว่าไม่ใช่ของมีราคาเลย ของชอบนี่แหละเยอะหมดเนี่เราต้องเดินจากมุมนี้เราถึงจะเข้าใจแล้วสักวันหนึ่งจะสามารถปลุกเราปั่นยินสีขึ้นมาทํากิจในการวิจัยได้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะคิดว่าโอ้ยเราให้ทานง่ายอะ่ะไม่ง่ายได้ไงทีมันไม่ให้ของที่มันให้ของที่ตนเองที่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยอะ่ะ อย่างบางคนเนี่ยมีร้อยล้านให้สิบล้านเนี้ยใช่ไหมเขาจะไปสะเทือนกุซางอะไรเนี่ยใช่ไหมก็ <c oughs> สิบเปอร์ซ็นน่ะใช่ไหมไอ้ <c oughs> คนจนเนี่ยมีเงินอยู่พันก็ให้สอสี่ร้อยถ้าปลาเขาไปเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันต่างกันตั้งเยอะเนี่ยเราไปวัดตัวเงินได้ที่ไหนมันวัดใจที่จะสละนู่นน่ะ ใจที่สละเนี่ยก้าไหมล่ะวัดตรงนั้นเนี่ยมองเห็นไว้แต่เนี้ยจะได้ชัดเลยว่าเราเอาของในชีวิตประจําตัวประจําวันเรานี่แหละที่ชอบนี่แหละนะกเข้านะกเข้าหนเราจะเห็นสภาพเออยต่อไปนี่เนะ่ยไอชนะสงครามที่ชนะได้ยากมันเป็นแบบนี้มันเป็นเขาบอกว่าต่อไปนี่เนี่ยไอเรื่องเรื่องการชนะสงครามเนี่ย เขาบอกว่าทานกับการรบเนี่ยมันเสมอกันแบบนี้แหละให้ยากที่สุดที่ของที่รักให้ยากที่สุดคือของที่รักเนี่ยเอางี้นะว่าทานกับการรบเสมอกันไหมถ้าจะควักตาให้เนี่ยเสมอกันจริงๆรไหมนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าที่บอก ถ้าใครรู้จักอนิสงฆ์ทานกุศลอย่างที่จะถาคตรู้ที่จะไม่ให้ก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มีหนึ่งนี่เราไม่รู้อนิสงฆ์มหาสาล ร, รัตนะบัลังก์เลิศที่ได้มาใต้ต้นพระศรีมหาโพนะนั่นแหละทานนั่นเนี่ยพญามารกระจุยไปนะ่ะทานกุศลทั้งนั้นน่ะเนี่ยที่ปลาชัยไปทั้งหลายกองทัพมารพังถลายทานกุศลเป็นต้นมองเห็นไหมนะยิ่งใหญ่มาก กลับไปฝึกเลยดีแล้วทุกคนจะต้องมีของชอบเอามาเ <c oughs> นื่อาง <c oughs> ทีไปบินธบาตพอได้ของบางอย่างปุ๊บมาอีกแล้วได้ให้ทานอีกแล้วมาชื่นใจเลย <c oughs> ขณะจิตนั้นพอผ่านไปปุ๊บเดียวนะมาและได้ให้ทานแล้วก็บอกสารภาพเลยเนี่ยนี่ผมไม่ด้เนี่ผมรับมาด้วย จิตที่เป็นตัณหาทวานี่ไงบางทีบางทียังเล่เล่เขามองมาบางอง์ก็ไม่ฉันเนี่ยนะไม่ฉันก็ไม่เอาเลยตัดเลยไม่เอาเลยไปฝึกแล้วจะรู้จักทานกุศลจริงๆงนั้นเดินมุมนี้กลุ่มที่คิดได้ไม่ค่อยมากเดินมุมนี้ แล้วต่อไปจะประทับใจจําเข้าไว้นะีตรงนั้นในความรู้สึกนั้นนะเอามาไขควรต่อมาขยายวงต่อแล้วก็ทําทุกอย่างฮนะให้มันขยายวงนั้นได้ให้เกิดความปราโมดพิธิให้เกิดความสุขต่อไปนี่นะื้มันจะสุขใจตั้งแต่ไปซื้อเลยนะีของที่ชอบเลยนะสุขใจตั้งแต่ไปซื้อเลยนะเราจะได้ให้ของอันเลิศของที่ประเสริฐของที่ได้มาด้วยด้วยด้วยยากด้วยของที่รักด้วย ของที่เราปรารถนาจะกินจะดื่มด้วยอผลมันจะเลิศไหมแบบนี้แต่ในส่วนจริงเราได้ผลที่เลิศเราก็จะไม่ติดข้องผลนั้นใช่ไหมเรากล้าสลาไม่ใช่สลาเออเราสลาเนี่แต่เราจะได้มากกว่า น, นี้รอผลอันเลิศในอนาคตก็ไปติดด้วยตัณหาหไม่เออเราไม่ได้มองอย่างนั้นยากไหม่างเนี้ย ไม่ยากแล้วว่าไงยอมน้อง <c oughs> อ้าวถามได้อา้าวไม่ค่อยมีคนวันนี้ทำไมไปอาถามเลยมานั่งใกล้มานั่งใกล้อา้าวรีบถามจะหมดเวลาแล้วเนี่ย เขาสงสัยเรื่องเบิกบุญว่าบุญนี้เบิกได้จริงหรือเพราะว่ามีมีหนังสือให้เบิกบุญโยมก็ตอบไม่เป็นค่ะว่าให้มีการสมมติเรากำลังมีเรื่องทุกข์อะไรอยู่เงี้ยก็ให้อธิษฐานแล้วก็เบิกบุญไม่เข้าใจก็เบิกบุ ญ, บญแล้วแล้วไปฝากไว้ตรงไหนก็เนี่ยค่ะนก ที่ลําปางหางเสือันนี้จะแพร่หลายมากเลยอะค่ะซึ่งเขาจะแนะนําการอุทิศบุญด้วยการเบริกบุญที่ให้ให้อรัตนนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขอเบอิกบุญที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่ชาติพบก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> ให้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรหรือว่า เ, เหมือนคําที่เราอุทิศอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนกันอบอ บ, บุญบุญบุญที่เราเคยทํามาไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการอุทิศไป ก็ไม่ของส<อ>ีเ่เล่มเนี้แพร่แพร่หลายเยอะมากเลยอะค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวโยมจะเอาของสี่เล่มนั้นมาให้พระอาจารย์ดูคือคือโดยโดยโด ย, โดยสำนวนโดยคําพูดมันก็ไม่เหมาะไม่ถูกแล้วเนาะเพราะจริงอยู่นะถามบอกว่ากุศลกรรมแล้วกุศลกรรมเนี่ยเขาเป็นอนัตตาเนี่ยเขาเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดจากการร้องของเนีย ฉะนั้นเมื่อเกิดจากเหตุปัจจัยเวลากรรมเหล่านั้นจะให้ผลก็ให้ผลตามได้เหตุได้ปัจจัยถ้ากรณีเห่งการที่มาร้องขอกันได้ด้วยการที่จะให้กุศลกรรมส่งผลเร็วๆพันๆแล้วไม่ได้ทํากิจใดๆเลยให้เหมาะสมแก่การที่จะสร้างปัจจุบันเหตุให้เหมาะสมแล้วจะให้ผลได้อย่างไรซึ่งมันขัดกับหลักเหตุผลของข้อของความเป็นจริงไม่ใช่ว่า ถ้าอย่างนั้นก็เราก็เคยทํากุศลกันมาเยอะแยะใช่ไหมล้วถามว่าแล้วบาปเหร่ใช่ไหมแล้วบาปก็ก็เกิดบุญ ก, ก็ก็เกิดใช่ไหมถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อได้เหตุได้ปัจจัยแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดเองนี่ไหมไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการที่เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอให้อันนั้นส่งผลขอให้อ น, นี้ส่งผลมันไม่ใช่เลยนะ มันต้องสร้างเหตุที่เหมาะสมเช่นเวลาจะพูดตรงนี้ต้องเอามาพูดเราเอากาละเอาคติใช่ไหอุปธิประโยคะมาจับกาละนั้นเป็นกาละสมบัติหรือกาละวิบัติคติเป็นคติสมบัติหรือคติวิบัติใช่ไหมแล้วก็อุปธิเป็นอุปธิสมบัติหรืออุปธิวิบัติประโยคะตอนนั้นเพียนถูกหรือเพียนถูกผิด ญาณะที่เป็นไปความเพียรที่เป็นไปเนี่ยปัญญากับความเพียรที่เป็นไป น, ะปญญววนั้นนะนะ่ยปัจจุบันกรรมที่กําลังทําอยู่นะนะั้นเน่ยใช่ไหมเป็นไปอย่างเหมาะสมไหมความเพียรด้วยมีปัญญาประกอบด้วยไหมในปัจจุบันนั้นถ้าตนเองยังเพียรผิดอยู่มีความเข้าใจในเรื่องของกรรมผลของกรรมผิดอยู่แล้วก็ไปตั้งพิธีกรรมอย่างนั้นอันนั้นก็พลาดแล้วมันจะมาอย่างไง เพราะคุณประกอบปัจจุบันในเหตุก็ผิดพลาดและในขณะเดียวกันประโยคะคุณก็วิบัติเขาอีกแล้วกาละตรงนั้นก็ไม่เหมาะสมอีกใช่ไหมนีเสียหายเลยคติไม่ต้องพูดถึงจะเป็นเป็นคติวิบัติก็ยุ่งอุปธิก็คือตอนนั้นนะ่สภาพของเราต่างๆเหล่านี้มันเหมาะไหมทั้งสภาพร่างกายยกตัวอย่างเช่นโอ้โหสภาพร่างกายของเราเนี่ยพิคนพีการเนี่ยนะ แต่เราปรารถนาอยากจะเป็นนักมวยนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่เนี้ยก็ mm hmm. เบิกบุญก็เบิกมาสิอย่างเงี้ยนะตาเราบอดอีกข้างปรารถนาจะให้ตามันกลับมาดีเงี้นะยนียังไม่ได้ทําพิธีไงก็ไม่ได้เพราะอย่างนี้มันไม่ได้ได้ด้วยความเพียรแล้วก็ได้ด้วยปัญญายาหในปัจจุบันเลยซ้ำไปเพียรถูกยังไงก็ยากใช่ไหมที่จะทําจากกุปษศาสตร์ที่มันวิบัติไปแล้วให้กลับฟื้นขึ้นมาโสตาศาสารที่มันวิบัติไปแล้วจาก จากที่เสียหายไปแล้วตั้งแต่กําเนิดเป็นต้อนอะไรเนี้ยจะทําให้มันเกิดขึ้นด้วยความเพียรที่ถูกต้องในปัจจุบันก็ไม่ได้แต่ความเพียรในปัจจุบันมีผลนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าผลอย่างไรใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นจะเปลี่ยนพระวังใหม่ในพบนี้อันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วจะเปลี่ยนจากขุป萨ษา ต, ต, ต่อประสาทใหม่เงี้ยไม่ใช่ต้องรอยพบนี้ผ่านไปนี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันมันคําพูดมันดูเหมือนดี ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ฟังดูแทบไม่ต้องเอามาดูแต่ทําป็นังสืออยู่ mm. อันนี้ก็คนเราก็ก็ประเภทคนไทยก็ประเภทอย่า ง, งนั้นก็ตรงนี้ก็ฟังเขาพูดก่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตามแก้กันเหนื่อยแล้วถ้าฟังฟังดูเนี่ยตามแก้กันเหนื่อยแล้วจริงไหมนั้นตรงนี้ก็ที่ก็ต้องพยายาม ละทิ้งเลยเงียบหมดเลยอ้าวเอ า, า, เอ า, าอยี่ลื้อยอมนองว่าไงนี่อาเจริญทานกุศลอยังไงดูหน่อยที ล่าให้ังหน่อยอ่าเอาไมให้หน่อยอานี่มานั่งตรงนี้อาเอจะเดินทานกุศลยังไงห้หายหน้าหายตาย่กุศลไม่ค่อยอยากดูว่าาจะเดินทานกุศลยังไงกันอ่าวไปเออเออนั่งอยู่ใกล้ๆลูกพี่หน่อยอ้าวจะอาสาท่ ที่จริงอยากฟังมากกว่านีะให้ข้อมูลไปเยอะแล้วเพราะถ้างหนก็ฟังแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะแก้ไขข้อปกคร่องของพวกเราได้เพราะว่าเราจะเราคือเราจะไม่รู้ว่าเราบกพรองตรงไหนนะเจ้าค่ะสำหรับโยมแล้วโยมก็เป็นประเภทต้องชักชวนเจ้าค่ะเมื่อชักชวนหมายความว่าต้องเป็นประเภท สาสนาลิกเจ้าค่ะแล้วเมื่อโยมนึกถึงวัตถุทานได้แล้วโยมก็จะตั้งใจว่าการที่โยมจะสร้างกุศลอันนี้ความรู้วันนี้ได้มาเพราะว่าโยมได้รู้จักพระธรรมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้โยมที่ไม่รู้จักพระธรรมเนี่ยโยมก็จะทํา ก็จะให้อะไรก็ตามด้วยความสมควรจะให้หรือจะช่วยใครก็ด้วยความสมควรที่จะช่วยไม่ได้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเจ้าค่ะ